วันนี้ก็เป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองเป็นวันลอยกระทงพวกอญาติธรรมที่มาจากหลวงพ่อญาสาให้เนี่ยมีใครอยากไปลอยกระทงบ้างอันมาก็ไม่ทราบนะพวกโยมมาแบบตั้งใจมาเองหรือโดนโดนบังคับมาแต่ก็ไม่สําคัญเนะ่ยจะโดนบังคับมาหรือตั้งใจมาก็ไหนๆก็มาแล้วก็ตั้งจิตใหม่ตั้งจิตแบบอยากปฏิบัติธรรมไปด้วยเลยถ้าเกิดเราเราไม่ตั้งใจอะ มันคือจะมีความขัดแย้งทั้งภายนอกและภายในแต่ถ้าเราวางใจแบบไหนก็ไหนๆละเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลขณะที่มาทำวัดไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเรามาไหว้เคารพพรพุทธเจ้ามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เราก็ได้ฟังบทสวดมนต์มหาธีปฐานสูตรเรื่องเกี่ยวกับกายมีสติปฐานกายอันนี้เราสามารถมาใช้ได้ เราไม่ได้ไม่ได้ลอยกระทงแต่เราก็มาลอยความหลงแทนเพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเราจะหลงทุกคนนะแม้แต่ธรรมาด้วยหลงในที่หมายถึงหลงหลงเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงหลงเห็นว่าความทุกข์เป็นความสุขหลงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนหลงเห็นของไม่งามว่าเป็นของงามถ้าโยมพิจารณาตาธรรมมาพูดเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอางั้นจริงๆ เพราเราก็รู้ว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วของทุกอย่างก็เสื่อมแต่กิเลสมันหลอกนะให้เราสร้างอนาคตให้เราเนี่ยสร้างรุ่นสร้างนี่เพื่อความมั่นคงเพราะคนเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันต้องการความมั่นคงและกู้การสูญเสียเพราะความคิดตัวนี้ทาให้คนเนี่ยต้องการความร่ํารวยแล้วก็มีมากๆเป็นหลักปาการะกันตัวเองไว้ก่อนบางคนก็เลยทําตามกิเลสมือใครยาวสาวได้สาวเอาคือไม่มาดูแลเรืองจิตใจ เพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกคนเราอยู่ใต้โลกธระทำมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสริญแล้วก็มีดินทามันเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหนีพ้นล้เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมเลยแหละเพื่อเป็นภูมิคุ้มการจิตใจเวลาเจออารมณ์โลกธระมยามที่เราป่วยเนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอป่วยกายนะ หาหมอเนี่ยบางทีหมอก็รักษาได้บ้างไม่ได้บ้า ง, าางแล้วในเหตุการณ์อย่างบางคนมีอนาคตดีก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เพราะาชีวิตของเราไม่เที่ยงไม่มีหลักประกันอย่างช่วงนี้ก็มีข่าวดาราชื่อดังคือปอทศ ด, ดีก็เป็นไข้เลือดออกอยู่โรงพยาบาลต้งนานแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าถูกตัดขาอนาคตกําลังรุ่งก็ประดับลงได้เพราะอยู่ใต้กฎขความไม่เที่ยงนี่แหละไอ้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ต้องไม่ประมาท สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดกับเราก็ได้ตอนนี้เรามีสุขภาพที่ดีอยู่ก็ถือเป็โชคดีนะบางคนก็พิกงพิการเกิดโดยบัตรเหตุแบบฉับพันหรืออาจจะไม่ีวันพรุ่งนี้ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งใจทาประโยชน์โดยการมาฝึกฝนตนเองมาหัด ส, สร้างจริสติสร้างความรู้สึกตัวถือเปโชคดีเพราะมีคนอีกหลายคนมากมาย ที่ไม่สามารถไม่สามารถมาได้เลยถูกกิเลสครอบงำถูกสิ่งแวดล้อมถูกการงานหรือสิ่งต่างๆเนี่ยทาให้เข้ามาไม่ได้บางคนก็มาได้แต่ถูกความหลงครอบงาเขามาไม่ได้เหมือนกันพวกโยบิ่นโชคดีไม่ว่าจะโดนบังคับมาหรือตั้งใจมาถือว่าได้ม า, ไ ด, มาได้มาสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะสามารถช่วยเราได้ทําให้เรามีชีวิตยอยู่ถ้ามีทุกก็ทุกน้อยลงอาจจะโดนคนดินทาแล้วก็ พอรู้สึกตัวปุ๊บอ่ะก็ไปเช่นนั้นเองสู่ใครมาด่าว่าเราห ร, หรือเรารอคอยอะไรที่นานๆแล้วไม่ได้งใจอ้าวมันก็เป็เช่นนั้นเองหรือของสูญเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องตายพ่อแม่ตายคนรักตายหรือพัดภาคอ้าวมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันทาใจได้หรืออกหักผิดหวัง บางคนคิดสั้นฆ่าตัวตายพอเราเราเข้าใจธรรมะปุ๊บเราก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกเรายึดมั่นถือมันไม่ได้มันก็เป็นเชนั้นเองเพราะว่าความรู้สึกตัวมีนิสสงแต่เราไม่มีเนี่ยเราก็ไปไปตามบรมมาแหละความคิดเป็นสั่งให้ทําอะไรเราก็ทําไปบางคนบางความคิดสั่งให้ไปฆ่าตัวตายมันก็ฆ่าเลยนะถูกความคิดหลอกบางคนความคิดสั่งให้ไปทําร้ายคนอื่นเบียดเบียคนอื่นมันก็ทํา นั้นคนจึงไปคุกตารางมากกว่าวัดอนาบาเคยไปไปกับอาจาไปศาลที่ภูเก็ตเนี่ยเรือนจําก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อะแต่ว่ามีคนอยู่ในนั้งสามพันเมื่อเป็นชาวต่างชาติคนไทยผู้หญิงเยอะแยะหมดอะที่คุกได้แออัดแล้วก็เหมือนนรกบนดินอยู่กันแบบไม่มีความสุขแต่คนอยากเข้าไปเพราะว่าทําตามกิเลสตัวเองคือไม่มีสติสติก็เป็นเหมือนเบรกนะเหมือนเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยก็เหมือนรถวิ่งไป ใครมีสติมากคนนั้นก็เบรกดีดอยปัญหาชีวิตก็น้อยแต่คนไหนไม่มีสติเลยก็เปิดรถวิ่งไปไม่มีเบรกเดี๋ยวไม่ชนอะไรก็ตกข้างทางชีวิตไม่มีความมั่นคงศาสนาเนี่ยบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเนี่ยต้องเป็นบุรุษไปษณีส่งของให้คนเป็นไปให้คนตายหรือบางคนก็เข้าใจวัดผิดว่าเป็นที่พึ่งที่จริงเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกเราต้องเป็นที่พึ่งตัวเราเอง เพราะบางครั้งเรานับถือครูบาอาจารย์ครูบาจารย์ก็เสื่อมได้ตายได้อาจารย์ที่เรานับถือบางคนก็สึกไปก็มีหลายคนนะที่เรามาเห็นเป็นข่าวนะที่พึ่งไม่ได้สิ่งภายนอกสิ่งเราพึ่งได้คือมีสติเพราะศรัทธาเนี่ยมันไม่แน่หรอกบางทีก็ศรัทธาศรัทธาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสื่อมเปลี่ยนได้กลายเป็นเกลียดก็มีเคยรักคนนี้ก็กลายเป็นเกลียดชังไปก็ได้ความรักก็เปรียบเหมือนหัวงูกับหางงูเป็นที่พึ่งไม่ได้เหมือนกัน การรู้สึกตัวเนี่ยช่วยได้ทุกสถานการณ์พวกโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จริงอนามาพูดธรรมะให้โยมฟังเนี่ยถ้าพูดเรื่องสติอย่างเดียว เ, ยเดี๋ยวโยมก็อาจจะหลับก็ได้มีหมู่บ้านแห่งหนึง่งผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าโกวันหนึ่งก็นิมนต์พระมาทำบุญก็มีแขกเหลือมากมายในที่นั้นก็มีอาแปะอยู่คนนึงซึ่งเป็นเพื่อนกับกับผู้ใหญ่โกนะก็มาร่วมงานด้วยหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วก็ให้พร หายพรว่าอายุวัตโกธนวัตถโกสิริวัตโกยาสวาตโกพลาวัตโกวันณวัตโกสุขวัตโกอแปะได้ยินดังนั้นเนี่ยขนลุกขนพองเลยมีความรู้สึกว่าโอ้พระเนี่ยให้พรคือเอ่ยชื่อเจ้าภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทำเมือขนาดนี้เฉลก็เกิดปิติมากจนอแปะเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องนิมนต์พระชุดนี้มาทำบุญ ส่วนมลบ้านเราบ้างหลังจากวันนั้นก็ไปไปบอกผู้ใหญ่โกบอกให้นิมนเนี่ยพระชุดนี้มามาทําบุญชุดอื่นไม่เอานะขอชุดนี้ชุดเดียวแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงอาแปะ ก, ก็ตั้งใจทําบุญให้บ้านตัวเองแหละก็เชิญแขกเหลือมาบ้างมายชีโบชีเบเพื่อให้คนเห็นว่าตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นของงานแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงพากสวดมนต์นไป ถ้าถึงเวลาให้พรพระก็ให้พรว่าอายุวัตตโกธนาวัตตะโกสิริวัตตโกยัสาวัตตโกแปะได้ฟังแนละ้วรู้ผิดหวังมากจึงตะโกนบอกพระพระที่นามบอกไม่ใช่นะไม่ใช่นะว่าชื่อว่าแปะนะแปะนะไม่ใช่โกคือแกเข้าใจผิดไงว่าที่ให้พรเนี่ยต้องเอ่ยชื่อไงพระที่นามสวดมนต์ก็รู้ว่าอแปะต้องการอะไร จึง เ, เปลี่ยนคําให้พรใหม่เป็นอายุวัตนแปะธนวัฒะแปะสิริวัตนแปะตอนนี้อาแปะหัวล่อล่าเลยมีความสุขนี่มันต้องอย่างนี้ข้อดีอันนี้คนเรามีการเข้าใจผิดได้อย่างอาแปะเนี่ยอันมาจะเป็นสื่อเปรียบที่ให้โยงฟังว่าคนทั่วไปนะคิดว่าพระเนี่ยจะต้องเป็นบุรุษปัษณณีส่งของของคนเป็นให้คนตายหรือนึกว่าจะต้อง เป็นสานที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันผีได้อะไรอีกหลายอย่างหรือบางทีก็มาขอวัตถุมงคลลดละมนอะไร น, นี้คือเป็นความเข้าใจผิดของญาติโยมมันก็เป็นที่พึ่งได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาแฝงพระเครื่องเ ข, เขาพยายามแบบถ้าเค้งหน่อยก็ม่ยกม่ยกแกวราคำหัวพระหรือบางทีก็ไม่ทําชั่วได้เหมือนกันบางทีเพราะว่าพระเครื่องนี่ก็เป็นสิ่งที่เตือนใจ ให้นึกถึงความดีของผูพได้เจ้าไงแต่ความรู้สึกตัวเมียที่สูงมากกว่าบางทีเราเผลอไปแล้วเรากลับมารู้เมื่อกี้เราคิดอะไรคิดอะไรไปไงเงี้ยมันตัดนะโกรธเรารู้สึกตัวปุ๊บอารมณ์โกรธก็หายไปถึงถึงจะไม่หายก็ไม่เอาเรื่องอโหสิกรรมให้อาภัยได้แต่ถ้าคนไม่มีฝาลึกตัวบางทีมันไม่ให้อาภัยเลยไปทะเลาะเลยแหละโต้ตอบมาหนึ่งก็ไปสอง มาสองไป4ทํานองเนี้ยพวกโยมอาจจะเป็นอารามาก็เคยผ่านประสบะการณ์ชีวิตมากมายเราจึงเล่าได้หรือบางทีเราไม่รู้จักตัวเองบางครั้งตัวเราเองมักเป็นปัญหานะแต่เรามักจะมองคนอื่นเป็นปัญหามีเรื่องหนึ่งวิชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสมชายชายคนเนี้มีปัญหาคือมีแก๊สในกระเพาะมากไปหรือตดบ่อยตดทั้งวันแหละจนแกราคาญแกก็ไปหาหมอไปถึงก็พูดกับหมอเลยหมอผมเนี่ย ตดทั้งวันแต่ผมก็รำคาญแต่มันไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงหรอกหมอว่าผมควรทําไงดีเพราะว่ามันก็รำหน้าราคาญอยู่หมอก็ดั่งฟังแต่ก็หน้าเบ้นนะขนาดที่ฟังเพราะว่าสมชายตดไปหลายครั้งแล้วสักพักหนึ่งหมอก็เอายามาให้แล้วก็บอกว่ากินยาหมดให้มาหาหมอใหม่นะสมชายก็กลับบ้านไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปสมชายว่าบวยวายบอหมอให้ยาอะไรผมเนี่ยเมื่อก่อนเดี๋ยผมตด ไม่มีกินเพราะตอนนี้เหม็นบันลาเลยเหม็นหมอก็หัวรอชอบใจบอกว่าเนี่การรักษาเขาหมอเนี่ยได้ผลไปครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปจะต้องรักษาครึ่งหนึ่งเอายาไปกินเพื่อให้ได้รับเสียงเพราะว่าชายสมชายเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการรับรับกลิ่นการดมมีปัญหาเรื่องจมูกแล้วกการฟังเนี่ย คือหมอเนี่ยให้ยาไปแล้วให้รับรู้การดมกลิ่นได้แล้วก็เลยรู้ว่าตดเหม็นแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีเสียงไงคิดว่าตดไม่มีเสียงคือหูไม่ค่อยดีอันนี้เป็นบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนเนี่ยเวลาพูดคุยจะต้องตะโกนเสียงดังๆเพราหูไม่ค่อยดีหรือแม้กระทจมูกไม่ค่อยดีดมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องแยกยักกลิ่นไม่ออกแล้วก็เรื่องนี้ถ้าเป็นสื่อเปรียบเทียบก็คือว่าจะรู้ว่า คนเราเนี่ยไม่รู้ตัวเองเป็นเป็นปัญหาบังเจรทุกคนอื่นเป็นปัญหาไงเหมันอย่งสมชายอยู่แหละเหมือนกับเราไปหาหมอนะหมอก็ไม่รู้ว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะหมอก็ให้ยามไม่ถูกเหมือนกันแต่ละคนรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรเน <Hers. S 2> ี่ยไปหาหมอเล่ า, ากายให้หมอฟังหมอก็จ่ายยาให้ถูกเราก็มีโอกาสรักษาหายถาย้าเปรียบก็เปรียบเหมือนกับคนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงกันแน่พอไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงกันแน่บางครั้งเราเป็นคน ขี้โมโหเราเป็นคนขี้โลภเป็นคนขี้ฉาเป็นคนชอบเปรียบเทียบเป็นคนใจน้อยเป็นคนหยิ่งยโสโอหังเป็นคนอะไร่ใจตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนวิตกจริตนี่เราไม่รู้นะถ้าเราไม่บริธรรมะเพราะกิเลสมันบางหมดเลยแต่เราเริ่มมาปฏิบัติธรรมมาเริ่มเจริญสติเนี่ยมันจะโชว์ออกมาว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่พอกิเลสมันโชว์ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าเราเป็นคนยังไง ตอนแรกความคิดมันก็หลอกเราเป็นคนดีเป็นคนดีคนอื่นไม่ดีหรอกเราอะดีกว่าแต่พอเราไปีธรรมะมาปฏิบัติธรรมเราก็รู้ให้เราเป็นคนไม่ดีนเนี่ยอย่างความโลภเนี่ยดูยากเหมือนกันเพราะบางทีคนเราจะอยากได้ของคนอื่นอยากมีมากๆโลภในที่ดีไม่ได้หมายถึงสิ่งของนะมันหมายถึงนามธรรมก็ได้หมายถึงอยากมีชื่อเสียงอยากมีอํานาจอยากมีคนยกย่องสรรเสริญ อยากมีคนยอมรับอันนี้ก็คือความลบชิดหนึ่งแต่มันแปลงกายนั่นเองเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ว่าเป็นคนอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมียาแก้แล้วรักษาให้ตรงโลกอะ่ะพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บโอกาสหายก็มีถ้าเราไปถามคนบ้าบอกบ้าไหมเกือบทั้งร้อยอ่ะคนบ้าจะบอกเขาไม่บ้าหรอกเราเนี่ยบ้าเพราะว่าถ้าเขารู้สึกตัวปุ๊บเขาก็หายบ้า อาจาร์รู้จักคนบ้าเยอะแยะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมพอได้คุยด้วยกันเ จ, จะต้องทําใจเพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าเขาบ้าหรือเป็นโรคประสาทคุยไปคุยมาแล้วย้อนเราบ้าเลยซ้ําเพราะว่าคนบ้าเนี่ยคนเพี้ยนเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกของเขาอย่างนักปฏิบัติธรรมโอกาสเพี้ยนมีสูงเมื่อสักครู่ก่อนทีอ่อาจมาจะมาเนี่ยอาจรมาก็โพสต์ามาลงเฟซบุ๊กอาจารย์ภาษาส่งข้อเขียนให้เรามาเรื่องเล่าเช้าวันพระเรื่องเห็นทั้งข้างนอกทั้งข้างใน ของหลวงพ่อเขียนเดี๋ยวโยมก็ไปอ่านได้ในเฟซบุ o กที่เดีมาโพสแต่ออามาเล่าข้อค่าวโยมฟังก่อนเมื่อก่อนสมัยหลวงพ่อเขียนเป็นโยมนะหลวงพ่อเขียนไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนที่วัดพุทธยานจังหวัดเลยหลวงพ่อเขียนเป็นคนที่จริงมากตอนนั้นท่านอายุวันสามสิท่านก็ตั้ ง, างตาเนี่ยยกมือเดินจกมทั้งวันแหละมีวันนึิมหลวงพ่อเขียนเป็นโยมตอนนั้นหลวงพ่เขียนเนี่ยเขปิดประตูห้อง แล้วก็นั่งสร้างจังหวะอยู่หลวงพ่อเทียนก็เดินมาหลวงพ่อเทียนก็ถามอยู่ไหมทําอะไรหลวงพ่อก็บอกว่ากําลังสร้างจังหวะอยู่ครับหลวงพ่ อ, อก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับเห็นข้างในไหมหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเห็นเห็นข้างนอกต้องทำไงหลวงพ่อขมเขียก็บอกต้องเปิดประตูครับท่านก็เปิดประตูออกมาเปิดประตูนะคือตอนนี้ก็เห็นข้างนอกแล้ว คือหลวงพ่อเทียนท่านฉลาดท่านมิวบายถ้าไม่สอนตรงท่านก็บอกว่าเห็นข้างนอกเห็นข้างในไหมหลวงพ่เขียนบอกเห็นทั้งข้างนอกข้างในคือฟ้าหม่หลวงพ่อเทียนแย่เห็นกลางๆคือไม่ให้เข้าไปข้างในข้างในก็คือคือเพ่งไงพอเพ่งมากๆปุ๊บมันก็ไม่เห็นข้างนอกแต่ถ้าจิตส่งออกนอกมากมันก็ไม่เห็นข้างในจิตส่งออกก็คือคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเพ่งข้างในมากก็คือเบียดกระคิด คืออยากจะอยู่กับรู้สึกตัวหรืออะไรสักอย่างอ่ะคือไม่ไม่ส่วนโลกภายนอกถึงหลวงพ่อบอกไม่ใช่ให้วางจิตให้เป็นกลางๆแต่หลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนหลวงพ่อเขียนนะให้หลวงพ่อเขียนคิดเองแล้วหลวงพ่อก็เดินไปหลวงพ่อเขียนจึงรู้ว่าว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยให้วางใจเป็นกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อก็เห็นธรรมแล้วหลวงพ่อก็บวชหลวงพ่อเทียนก็พาหลวงพ่อไปที่อื่นบ้างไปช่วยสอนธรรม มีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่วันโมกจังหวัดขอนแก่นก็มีผู้เฒ่าอยู่คนหนึ่งเพ่งมากยกมือแบบจริงจังจนมือเนี่ยติดติดที่หน้าท้องออกไม่ได้หลวงพ่อรู้เข้าหลวงพ่อก็ไปช่วยคลายลมอ่ะหลวงพ่อก็ไปถามมีลูกกี่คนเป็นยังไงบ้างคือคุยเรื่องครอบครัวให้ให้ให้ลูกคนที้ฟังแหละคุยไปคุยมาโยมคนนี้ก็เล่าไปเรื่อยๆสะพักมือก็ตกแบบไม่รู้สึกตัว อันนี้เปรีบอุบายของหลวงพ่อนะบางทีเราบอกตรงๆไม่ได้พ่อโยม่าติดอารมณ์มือค้างเลยพเพราะว่าเพลงข้างในมากพอพอคุยเรื่องโลกๆเนี่ยจิตมันต้องส่งออกนะก็เลยหายหลุดจากอารมณ์นั้นได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่วัดสามในตอนนั้นก็มีโยมอีกคนหนึ่งติดอารมณ์คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปเดินจงกรมอยู่บนสะพานลอยแหละเดินทั้งวันจนคนเขาเห็นก็เลยมาฟ้อง แล้วก็นําตัวมาส่งให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยพาไปที่วัดพุทธยานหลวงพ่อทําไงรู้ไหมหลวงพ่อใช้โยงคนนี้แหละขุดดินพื่อจะสร้างสร้างซุม้มแล้วดินที่นั่นเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นในลูกรลางแข็งพอขุดไปได้เมตรหนึ่งหลวงพ่อบอกโอ้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ทอ้าวโยค น, นี้ก็ขุดต่อไปอีกพอขุดไปนหนึ่งเมตรหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนที่ พอคุณไปคุยมาตอนนี้ขายอารมณ์เลยจิตที่เพ่งข้างในมากๆเนี่ยก็เลยหลุดจากอารมณ์นั้นก็เลยปกติได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นปุถุชนอยู่ไม่ใช่พระอารหันต์แล้วก็มีอีกหลายคนแต่บางคนแล้แก้ไม่ได้นะอย่างในวัดเราก็มีหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นพระดิยะตอนนี้ไม่อยู่แล้วคิดว่าตัวเองนิพพานแล้วคือยังไม่มีใครแก้ได้เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือดื้อเนี่ย ไม่มีนคนชี้น่ก็อันตรายเหมือนกันอย่างสายหลวงวัดเทียมให้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสายสายพุโทโธเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะสายพุโทโธมันจะมีเรื่องสมาธิเกิดสมาธิเห็นนิมิตนรกสวรรค์เข้าหรือนิมิตอะไรบางอย่างบอกขึ้นมาเนี่ยมันจะดูสมจริงกว่าอย่างเมื่อก่อนที่วัดบูรภารามหลวงปู่ดุลน์ลุศิษย์ของหลวงปู่ดุนก็คือหลวงตาพวงท่านอยู่เขามรมลุ้งบุรีรามเนี่ย มาบวชตอนแก่ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากเลยปฏิบัติธรรมแบบอุ ก, กิจจนในที่สุดเนี่ยก็เกิดวิปัสสโนคิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วพอคิดว่าตัวเองบรรลุปุ๊บตอนนี้ก็มองหาคนที่เราจะโปรดแล้วคือมีความรร ม, มีจิตเมตตานึกไปนึกมาเอา้าเราไปโปรดครูอาจารย์เราดีกว่าคือหลวงหลวงปู่ดูลก็เลยรีบเดินทางไปไว้บุรพารามเนี่ยใช้เดินนะระยะทางจาก ที่พักเนี่ยของหลวงตาพวงเนี่ยไปถึงวัดบุรพาลามรมาณแปดิบกิโลแกก็เดินทั้งวันทั้งคืนเลยไปถึงไปถึงวัดบุรพารามเที่ยงคืนไปถึงก็ไปถึงก็งกตะโกนตะโกนเรียกหลวงหลวงปู่ดูลเลยพะละระอรหันต์มาแล้วมาแล้วคือให้มาออกมาออกมาต้อนรับคือใช้วาจาที่ที่ไม่ค่อยสูภาพอะ่ะจากเมื่อก่อนเคยกราบหลวงปู่ดูลตอนหลังจะให้หลวงปู่ดูลกราบตัวเองด้วยหลวงปู่ดูลก็ไม่ว่าอะไรยังดิ่งอยู่ แล้วก็คุยธรรมะ ก, กันแต่ท่านก็ทราบว่าหลวงตาพวงเนี่ยยังไม่รู้ธรรมจริงจึงให้เนยพาไปไปพักผ่อนแต่คืนนั้นท่านก็ไม่นอนนะ ก, ก็ปลูกพระปุกเนยเน่ยมาเรียนธรรมะ ก, กับท่านคือความอยากสอนเป็นอย่างนี้ตั้งหลายวันจนในที่สุดหลวงปู่ดูลเนี่ยเห็นว่าใช้พูดดีๆด้วยไปได้จึงด่าหลวงตาพวงด้วยคำพูดรุนแรงสัตว์รกไปให้พ้นเลย ออกจากกุฏิไปให้พ้นหลวงตาพวงถูกด่า ก, โก็โกรธโกรธจนตัวสั่นเลยบอกกูไปก็ได้หลวงตาดูไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่กูแกก็ออกไปตอนนั้นไม่มีสติแล้วก็ฟา้มฟามงฟ้าไม้ได้กรหิวไปคิดว่าเป็นย่ามเดินไปสักพักหนึ่งด้วยฟวามโกรธเนี่ยมันก็ไปกระแทกอารมณ์ที่ค้างๆ้าอยู่นานเนี่ยคืออารมณ์คิ้วตัวเองบรรุ เป็นอรหันเนี่ยหลุดออกมาได้แก่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ๊ะพระอรหันที่ไหนที่โกรธจึงย้อนกลับไปขอเข้ามาหลวงปูด่ดูลนนี้ก็ช่วยได้นะฟัมโกรธเพราะาพระอนิญาตเนี่ยบางทีมันไม่โกรธไม่กลัวหรอกแต่พระบางคนกลัวเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันต้องมีการสอบอารมณ์มีการตรวจสอบพวกโยมปฏิบัติธรรมก็เกิดอะไรขึ้นมาก็ปรึกษ า, จาใจพระราชัยก็แล้กันเห็นอะไรเห็นเห็นนิมิต หรือเกิด อ, อะไรขึ้นอย่าไปคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนะบางทีฟ้าคิดมันหลอกและอย่างก็อย่าไปเชื่อนิมิตนิมิตเนี่ยมันสามารถสร้างเสียงสร้างภาพสร้างกลิ่นได้หมดนะบางทีนึกว่าจริงพวกนี้มันบัจฉุเเราหลงไงหรือบางคนเนี่ยทากรรมไม่เยอะอาจจะเคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเคยด่าเขาด้นคนนี้ทำกรรมไม่ดีนิมิตมันก็ขึ้นมาเหมือนกันขึ้นมาท้ำไว้เรากลัวแต่บางคนทําบุญกุศลไม่เยอะทําความดีไว้เยอะเนี่ยนิมิตมันก็ดี เจออะไรสวยสวยงามเจอกลิ่นหอมอะไรพวกนี้เป็นไปได้หมดล่ะเพราะว่าความคิดภาษามารปรุงแต่งได้เราสามารถใช้ความคิดหรือใช้จิตเราเนี่ยแค่ 5% เท่านั้นเองแต่ก้เนี่ยมันนอนเนื่องอยู่มันไม่ได้ใช้งานแต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิมาเจิอสติเนี่ยเราดึงเอาเอาเอาพลังจิตส่วนที่ไม่ได้ที่มันเก็บอยู่เอามาใช้ได้ทั้นบางคนจึงสามารถรู้ว่าจิตคนอื่นหรืออะไรอีกมากมายมีฤทธิ์ได้อะไรได้ อันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่สําหรับคนที่ไปเคยฝึกก็จะเป็นเรื่องแปลกแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าควารฝึกตัวเนี่ยคือนําไปสู่การพ้นทุกมากกว่าไม่ได้ทําให้ส่งเสริมกิเลสอย่างบางคนเนี่ยพอรู้ใจคนอื่นก็คิดว่าก็ตั้งตัวไปแต่อ า, อาจารย์เลยหรือบางทีไปใบ้หวยก็มีกลายเป็นกิเลสไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสมาธิบางทีก็ทำให้คนหลง อย่างพระเทวทัตุนใส่พุทธกาลเนี่ยได้ชาลโลกีสามารถหายตัวได้แปลงกายได้แล้วก็ไปล่อให้พระเจ้าชาติตูเนี่ยเสียคนไปฆ่าพ่อตัวเองไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าจนตหลังชาญเสื่อมก็หมดหมดฤทธิ์พระพุทธที่เสื่อมได้ถ้าเราทำให้ดีบางทีเป็นโทษมากกว่าขู่ด้วยซ้าสู้คนไม่มีซะดีกว่าความคิปรุงแต่งขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ย รู้สึกตัวเราก็ไม่ไปไปตามความพิปรุงแต่งเผลอไปรู้เผลอไปรู้เงี้ยมีประโยชน์กว่าเพราะว่าทําให้เราดับทุกข์ได้แต่ถ้ามีฤทธิ์มีอะไรเรื่องนอกตัวบางทีดับทุกข์ไม่ได้กับเพิ่มทุกข์ด้วยซ้าทำเราหลงตอนนี้เวลาหมดแล้วแหละพูดเรื่อยเปื่อยไม่เป็นเรื่องเวลาอะไรวันนี้ส่วนมากก็ผู้ทะโยมเนี่ยตั้งใจปฏิบัติธรรมก็แล้กันให้คุณค่าขอการเจริญสติทุกคนมีพลังจิต จิตมีรู้ภาพทุกคนแหละต่เราจะใช้มันหรือไม่ใช้นี่เรื่องหนึ่งเรา่าไปพึ่งสิ่งของนอกตัวให้พึ่งตัวเองนี่แหละสิ่งภายนอกพึ่งไม่ได้หรอกฮันโยลก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจเจริญสติสักว่านหนึ่งสติก็จะช่วยเราเราอย่าไปหวังว่าต้องได้ผลเลยเหมือนปลูกต้นไม้แหละเราหน้าที่ของเราก็คือรดน้าให้ปุ๋ยต้นไม้จะโตไปโตเรื่องเขา เขาทำไปเรื่อยอย่าหวังอะไรสักวันถึงเวลาเขากโตเองอย่างกุติระบาเมื่อก่อนนะปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะเลยเดี๋ยดิเดี๋ยดต้นไม้โตส่งกลิ่นหอมอย่าวัฒนาเนี่ยตอนที่ไปางคืนนะหอมฟุ้งไปหมดเลยเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรจนเราลืมไปอ่ะการเจริญสติก็เหมือนกันญาติโยมจะเรื่อไปเรื่อยอีกหน่อยเขาให้ผลเราทําให้เรา่รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักกิเลสความโลภความโกรธความหลงปัญหาชีวิตก็น้อยลง เจออารมณ์อะไรก็ไม่ติดคือคิดเราไม่ติดแต่ละคนติดอารมณ์มาคิดอะไรก็ติดหมดแหละไม่สามารถออกจากความคิดได้คนเราห้าแม่คิดไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ว่าคิดเราไม่ติดนั้นได้ก็ขอจบลงแคน่นี้ขอญาติธรรมมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม